วัน น, นี้เป็นให้มาถามที่ใหม่นะคะเป็นฟรีได้อลไม่ถามแทนไม่ส่งกระดาษต้งว่ า, าตัวเองจองคิวไว้เพราะว่าเราบางคนที่คุยคุยเนะะี่ยบางคนก็จะมีคำถามเช่น เ, เคยชินอยู่กับการปฏิบัติแบบค้าศาตามีราวก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนาาีน่ย ข, ข, ของอาจารย์บอกให้ถึงราวสภานออกเนี่ยบางทีมันก็เผลอไปเอาราวสะานมาเสีย เงี้ยเขาบอกว่ามันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกแย่เยช่นๆแต่ว่าเออก็อยู่กับพระอาจารย์ที่บอกว่าไม่ต้องตอบเราแล้วตัวเองก็เหมือไปจับราไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็สึกแย่ตัวเองแล้วก็มีบางคนที่รู้สึกว่ามันมันน่าจะดีกว่านี้นะวันที่สามแล้วมันน่าจะดีกว่านี้สักหน่อยนึงค่ะแล้วก็อยากบางคนก็อาจจะอยากถามพระอาจารย์ว่า อาการปวดอาการเมื่อยเนี่ยมันมันเป็นเพราะปฏิบัติผิท่าหรือเปล่าหรือมันเกิดจากอะไรคะบางคนก็รู้สึกปวดคอ ท, ทั้งที่มันไม่ได้ใช้คอแทนที่มันคือปวดขาเรืเข้าใจได้เดิมปวดคอปวดหล่ ท, ท, ที่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปใช้แขนใช้ไหล่นินาง พี่คิดว่าเสีงเยงในหัวมันมีตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยมีคำถามมันอาจจะลับอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นเสีงเยงในหัวเราก็หญาเราส่งออกมานะคะก็ก็ถามได้เลยคะ่ะช่คะ่ะการประวัิการคุณจานะคะก็คืออยากจะทักเรียนถามว่า เราจะต้องจัดเสียงในหัวหรือคำพูดในกระถิในหลายอย่างแต่ที่ทํา ง, งานแต่ที่เราได้ยินได้ฟังแต่ที่ทํา ง, งานมาแล้วมันรบกวนจิตใจเราทั้งวันจนไปถึงบ้านขณะเราทํากิจกรรมต่างๆแม้แต่ เ, เวลาเราสวดมนต์เราทํากิจกรรมจังหวะนี้เราก็เลยมีเสียงนีอยู่จนเราคิดว่าเรารละวัาางมันไม่ได้เลยจนถึงที่นอนเราก็เครียดล้วก็กังวลกับเรื่องนี้มันก็ส่งผลให้เรานอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับตอนเช้าไปทํา ง, งานเราก็หมดหีก แล้วก็มีสิ่งผิดมากระตุนเราก็สแสดงอารมณ์นั้นกับผู้ร่วมงานหรือว่าผู้รับบริการนะเราจะกำจัดสิ่งนี้ยังไงคะเสียงนีโหวาอาจารย์อาจารย์ ว, ยวิธีการง่ายๆนะแต่ว่ามันอาจจะยากก็คือว่าช่างมันอย่าไปทำอะไรกับมันเพราะว่าถ้าเราไปกดคมมันเนี่ยเหมือนกับเราไปกดลูกบอลมาไว้เนี่ยลูก บ, บอลลูกบอลเนี่ยกดไปในน้ำเนี่ยยิ่งกดแรงเท่าไหร่ เราก็จะต้านมาเท่านั้นแรงกดเท่ากับแรงต้านอันนี้นิสตันเาว่าไว้แต่ที่จริงใช้ได้กับอารมณ์ด้วยยิ่งยิ่งเราไปกดขมมันเนี่ยมันก็ยิ่งต้านหลายคนนะข้อที่ในการหลักก่าที่คุณไหว้นะเช่นในใจเนี่ยจะด่าพ่อตาหนิแม่ส่วนมนก็ตาหนิพระตันตนกรรยนะ ม, มีเสียงด่าใช่ แล้วเขาก็กุ้งใจมากเพราะทายัางไงก็ไม่หายและ ว, วิธีการที่อาตมาแนะนำคือว่าให้อย่าไปนสนใจนะอย่าไปนสนใจเพราะว่าถ้าเราไปนสนใจมันจะกดคมมันถ้าเรามันยิ่งรบ ก, กวนความแต่ว่ า, าไฟนั้นมันก็เหมือไม่เหมือนมันก็เหมือนกับมันก็เหมือคนนะถ้าเรายิ่งด่าเขาเนี่ยก็ยิ่งยิ่งตอบโต้ถ้าเรายิ่งไปสัตรูปกับความคิดเสียงในหัวหรืออารมณ์เหล่านี้เนี่ย เราเป็นศัตรูเขาเขก็เป็นศัตรูกับเรานะวิธีหนึ่งก็คือว่าเราต้อนรับเขาเวีนะ่ยวขําเขาเหมือนกขาว่าเขาเป็นแขกที่มาเยือนบ้านเราก็ต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเราก็ไม่ได้คอยตามเขาถาาว่าเราถ้าว่าเร า, า, า, เ, ราเราเกลียดนะแขก หรือว่าอาคันตุกะรันนี้เนี่ยเราจะทุกเองเหมือนกับว่ามีคนที่เราเกลียดเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านเรานะเราก็วิ่งไปเตะไปต่อยให้ออกจากบ้านเขาก็หนีแล้วเขาก็ตามเราก็ตามเตะไปเรื่อยๆปรากว่าในทีสุดเรากออกจากบ้านของเราไปเลยแต่ที่เราจะกฟ้าบ้านเราก็หลุดจากบ้านนะอย่ไปอย่ไปคิดเป็นศัตรูหรือรู้สึกลบกับเสียงในหัวทําใจเป็นกลางหรือไม่ก็ รู้สึกบวกกับเขาแผ่เมตตาให้เขาท่านตินณธรรมเชิญเราว่าอกกรอกอกกอกความโกรธอกอกรอไอสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งความเบื่อที่เราพูดถึงเนี่ยอย่าไปต่อต้านมนะันเราใช้สันติวิธีนะกับอารมณ์เหล่านี้มันเป็นวิธีเดียวกานที่เราทํากับคนคนที่ทําตัวไม่น่ารังเนี่ยเราเราใช้ความดีเอาชนะเขากับอารมณ์เหมือนกันนะและพวกนี้เนี่ยมันจะ จะสงบลงเมื่อเราเมื่อเราดีกับเขาหรือว่าเมื่อเรารู้สึกวางเฉยเขาไม่รู้สึกล บ, กบเขาอันนี้ถ้าเป็นรูปพูดถึงเรื่องการมองลบเนี่ยนะการมองลบหรือว่าการเห็นอะไรเนี่ยเป็นลบไปหมดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งในหัวนะแต่มายถึงว่าการที่มีมุมมองเป็นลบเนี่ยอตมาว่าก็ต้องแก้ด้วยการพยายามมองเป็นบวกหรือว่ามี ไอ้ความสุดเป็นลบนี่ข้อดีนก็มีนะแต่ปัญหาคือ ม, มันลบมากไปแล้วมันมันมีแต่ลบเราต้องเติมความสุดมองบวกเพิ่มเข้าไปยกตัวอย่างเช่นเวลาเวลาใครทําอะไรใครเสนออะไรแล้วเราจะวิจารณ์เราเห็นแต่ข้อบกพร่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานของเขาหรือการทาําของเขาเนี่ยก็ลองตั้งกติกาตัวเองว่าเนี่ยก่อนที่จะวิจารหนึ่งเราต้องชมสองนะ ในถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเริ่มมองในบวกมากขึ้นหลายคนมองลบเนี่ยจนมองไม่เห็นบวกเลยเช่นเวลาเนี่ยเวลาเวลาจะบอกว่าให้เวลาก่อนที่จะวิจารณ์เนี่ยบอให้ชมเนี่ยหลายคนจะนึกคำนึกนึกช่องนึกข้อชมไม่ออกนะไม่ใช่เขาไม่มีนะเขามีแต่ว่าเราดึงไม่ออกนะเพราะว่าเราคิดแต่ลบตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า มันก bon ็มีนะมันมีนักคิดคนนึงชื่อเดอะโบโน่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นสือเรื่องหมวกหกใบนะไอ้คิดลบเนี่ยหรือวิภาควิจารณ์เนี่ยคือหมวกสีดำนะเขาบอกว่าลองคิดเรื่องสร้างสรรค์ดูบ้างนะหมวกสีอาจจะใช้อะไรหมวกสีเหลืองหมวกสีเขียวมางทีเต้องสมหมวกนะเพื่อฝึกให้เราเนี่ยมองในแง่บวก แต่สำหรับคนที่มองบวกอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องสวมหมวกสีดำบ้า ง, งใช่ไหมจะได้เป็นข้อตำหนิหรือว่าข้อวิจารณ์นะและตลอดที่ว่าการสวมหมวกนี่มันก็มีประโยชน์นะการสวมหมวกในความหมายที่ว่ามันเป็นมันง่าที่ว่ามันเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งซึ่งเอาเข้าเอาออกได้นะหมวกก็คือสิ่งที่เราถอดเข้าเราใส่แล้วก็เราสวมแล้วเราถอดออกได้แต่บางคนเนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็น เป็นสิ่งที่ครอบจิตขรอบใจด้วยเลยก็เลยมองอะไรไม่ออกมองได้แต่มนเดียวพูดถึงความเบื่อนะถ้าเรามองลบรู้สึลกลบกับมันนะเราจะถูกมันทรมานมากเลยเราจะเป็นทุกข์ผู้า ม, มัานมากนะที่จริงแล้วความเบือนี่ดีนะคุณต้องออกไม่ว่าความเบื่อนี่ดียะงไ เวลามีความเบื่อเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่สร้างสรรค์ใหม่เช่นอะไรก็าเดินเดินแล้วเบื่อก็ออกแบบทเดินใหม่ให้มันกัดกันใหม่ใหมใช่ไหมให้ครีเอทีฟความเบื่อเนี่ยข้อดีของมันคือมันมันบอกเราว่าชีวิตของเรารือสากลางเราตอนนั้นเนี่ยปกติไม่มีปัญหา<ม>ใช่ถ้ามีคน ด, าด่าคุณคุณจะเบื่อนะ ถ้าของหายเนี่ยโทรสาหายคุณเบื่อมั้ยใช่ไหมถ้าคุณหิวเนี่ยคุณเบื่อมั้ยถ้าคุณปวดคุณเมื่อยเนี่ยคุณเบื่อมั้ยใช่ไหมถ้าคุณลักคุณตายจากไปคุณเบื่อมั้ยเวลาที่เบื่อมันแปลว่าทุกอย่างของในชีวิตเราเนี่ยมันปกติไม่มีใครด่าเราไม่มีของหายไม่มีความสูญเสียไม่มีความเจ็บความปวดคุณเอาระหว่างความเบื่อความปวดความเศร้าคุณเอาอะไรความรสุกผิดเราไหมใช่ไหม ให้ hey, มองยังไงหนี่นความเบื่อมันแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยมันราบเรียบมันปกติแล้วคุณยังไม่เห็นว่ามันดียังไงใช่ไหมคุณยายชีคุณผันผวนแปรปวนถูกด่าเสียหายใช่ไ่มอย่างงั้นเหรอใช่ไหมคุณมองอย่างนี้นนตัง้งแต่แล้วคุณจะต้อนรับความเบื่อโอ้มันแสดงว่าชีวิตเราเนี่โอเค <laughs> ใช่ไหมแล้วเราจะพอเราสึกว่าพอรู้สึกโอเคความเบื่อนะมันจะเราจะอยู่กับมันได้ เราจะอยู่กับมันได้โดยที่อยู่อย่างสันตินะศิลปะในการจัดการกับอารมณ์ก็คืออยู่กับมันอย่างอย่างสันติรวมทั้งความเจ็บปวดด้วยนะหลายคนนี่เวลาปวดเนี่ยนะโหมันทรมานมากเลยและความทรมานส่วนเกิดจากใจที่มันผลักดันใจที่มันผลักสายกดของความโกรธให้ความปวดรู้สึกเป็นโรคความปวดแต่หลายคนทในพอเขาสึ่เออความปวดมันก็คือสิ่งที่ต้องอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราเป็นธรรมดาของเราว่านั่นเน่ย เรียรู้ที่จะอยู่กับมันนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะอยู่กับความปวดหรือมองในแงบ่บวกคือว่าความปวดกำลังแสดงทำให้เราเห็ น, นว่าสังขารเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยการมองบ่อยอย่างนี้ก็ช่วยนะมันทาให้เราดูกับมันได้นะอัตมาเคยมันมีคนเล่าเรื่องเรื่องนึงนะเรื่องของนักบินวา ก, กาศชาวรัเสเซียเนี่ย ซึ่งไปโคจรรอบโลกนะเมื่อสักห้สิิปีที่แล้วเนี่ยเราเสียเป็นประเทศแรกที่ส่งยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จและในหตอนที่เขาอยู่บนอยู่ในเครื่องเนี่ยเขามองมาที่พื้นโลกเนี่ยนะมองมาที่โลกโอ้โหโลกมัสวยมากเลยนะสีครามลอยสงบในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรมันสงบมากนะเพราะเครื่องก็ดับใช่ไหมแต่จุดๆู่เาได้ยินเสียงนะเสียงกคืเสียงเหล็กกระทบกันเนี่ย มันแหลมเสียงมันแหลมเนะ <c oughs> ก็พยายามหาเสียงมาจากไหนห า, าไม่เจอแล้วเสียงก็ดังเรื่อยๆดังเรื่อยๆห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วเนี่ยแล้วเขาเริ่มรู้สึกลำคานและเมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มรสึกงดุดหงิดแล้วเขาคิดว่าเนี่ยันถ้าเกิดมันดังอย่านี้ตลอดเนี่ยกูไม่บ้าแล้วเนี่ยนะมันมันแค่ในในยาวกลับมันก็แค่นะ มันก็ชวนอึดอัดอยู่แล้วน่ยแถมมีเสียงนังร่รบกวนนะ <c oughs> เขารู้สึกเริ่มหงุนง่านขึ้นมาและยิ่งรู้ว่า น, นีไม่พ้นนะโอโมันยิ่งอึดอัดเทอะทะใหญ่ก็จะที่สุดเได้สตินะเขานึกว่าเขาคิดได้คิดว่าเออในเมื่อมันจะต้องอยู่กับเราในเมื่อเราต้องอยู่กับเสียงนี้นะทําไมเราไม่เรียนรู้ที่จะรักมันนะแล้วเขาก็เริ่มหลับตาแล้วก็จินตนาการม่าไ้เสียงท้้งหลายในในการเสียงเพลง แล้วสักคั้เนี่ยมันก็มีแต่เสียงเพลงในหัวเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเสียงเพลงก็ยังอยู่ไอ้เสียงเนี่ยหายไปแล้วที่จริงหายไหมเสียงไม่ได้หายหรอกแต่ว่าใจเขาเนี่ยเ้ามองมันรู้สึกกับมันว่ามันเป็นเสียงเพลงใช่ไ่มแล้วเขาเลยอยู่กับมันได้เขาไม่งูงงงันจนกระทั่งเขากลับมาถึงพื้นโลกนะคือ ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราว่าใจเราจะให้คุณค่ากับมันอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นการให้คุณค่าหรือการปรุงแต่งอย่างหนึง่งนะซึ่งมันทำให้สามารถจะอยู่กับไอเสียงที่เคยหลอกลวงกลารเป็นเสียงที่สนอหูได้เนี่ยอันนี้บาเคลื่อนี่คือการใส่หมวกเหมือนกันนะเปลี่ยนหมวด นะเป็นหมวกสีเขียวนะมองมันในแง่บวกนะมันก็กลายเป็นเพลงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกโรคข้งโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่ า, บบวาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะสําเร็จได้ด้วยใจเนี่ยคืออนนี้แหละคือเรามองมันอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะความสําเร็จความลุ่มเหลวความเจ็บป่วยเนี่ย มันจะส่งผลต่อจิตใจเราอย่างไรจะทำให้เราทุกข์หรือสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันอย่างไรเรานิยามมันอย่างไรเราให้ค่ามันอย่างไรนะแล้วถ้าตรงนี้แหละที่เราต้องสามารถจะคุมความคิดให้ได้คนทุ้วันนีค้คิดเก่งคิดเยอะนะแต่ไปมาความคิดเป็นนายเรา ความคิดเนี่ยเป็นเ่าที่ดีเป็นนายที่เลวนะการปฏิบัติหลวเทียนเนี่ยนะไม่ได้ปดิเสธความคิดนะแต่ต้องการฝึกให้เราเนี่ยเป็นนายความคิดคือว่าถึงเวลาหยุดหยุดถึงเวลาคิดคิดไม่ใช่ว่าคิดเรื่อยเปื่อยจนหยุดไม่ได้หรือคิดแต่ลบอย่างเดียวคิดบวกไม่เป็นนะถ้าเราถ้าความคิดเป็นถ้าเราความคิดเป็นเ่าของเรานะ เราจะใช้ความคิดไปในแง่ใดก็ได้จะใช้ความคิดในเชิงวิพาะห์วิจารณ์ก็ได้จะใช้ความคิดในเชิงมองแง่บวกก็ได้ถึงเวลาให้บอกให้หยุดหยุดคิดได้แล้วนะจะนอนหรือว่าจะภาวนาสั่งได้สั่งได้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้มาโนไม่ใช่ม่ได้เราบังคับบัญชาได้แต่ว่าเราสามารถจะแฮนเดิลกับมันได้ใช่ไหมท่านบอกคิดว่าเนี่ยคิดเก่งไม่พอนะแต่ต้องหยุดคิดได้ วางความคิดได้แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนความคิดได้หมายถึเปลี่ยนมุมมองได้ตามใจนะอันนี้เรียกว่าเราเป็นนายความคิดจะคิดบวกก็ได้จะคิดลบ ก, ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยความคิดเป็นนายเราใช่ไหมแล้วนี่คือปัญหาตัวที่จะทำให้เราเป็นนายความคิดเนี่ยคือสติและปัญญาสตินี่พระพุทธเจ้าบางที่ก็เปลี่ยนเหมือนกับสารถีที่คุมคุมมา คุมมาเนี่ยมาตัวหนึ่ง ม, มั่มีสีต่ตัวตัวนี้คือความคิดคุมมันได้หรือบางทีก็เปลี่ยนมันกับหางเสือใช่ไหมหางเสือสําหรับการในการที่จะบังคับทิศทางของความคิดจะคิดไปไหนนี้หมายถือว่ายิ่งเป็นยิ่งเป็ น, ย, ปนยิ่งเป็นนักคิดนะยิ่งต้องต้องมีสติหรือต้องเห็นความสามารถต้องใช้สติให้ให้ได้มากๆนะเพราะว่ามีทําใหนะ้ความคิดเนี่ย ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นนายความคิดได้รวนะมกับเราเป็นนายเป็นนายเป็นนายรถยนตนะ์เราคุมรถได้ถ้าวา่าถ้ารถยนตันคุมเรานี่เสร็จล ถึงที่มันเลี้ยวมันก็เลี้ยวได้ตามปกติมันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราหลงบ่อยๆอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้ช่องทางเพื่อเตือนสติพวกเราว่ า, าในชีวิตประจวันเราจะทำอะไรด้วยความเคยชินมันมันค่อนข้างจงบปากในกางที่เราจะมีสติตลอเวล า, าอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณว่านะั่นคือความเคยชินนะ แต่ว่าถ้าผูดทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันเวลาทําอะไรบ่อยๆมันซ้ําๆมันจะมีวงจรนะที่ไม่ได้ทำหมุนไปอย่างเงี้ยและวงจรนี้มันจะใช้พลังงานน้อยมันข้อดีของมันคือมันทําให้เราเนี่ยสามารถเอาพลังงานไปทำอย่างอื่นได้ในเวลาเดียวกันเช่น ค, คุณขับรถคุณขับรถคุณก็โทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมเวลาคุณขับรถคุณก็โทรศัพท์ใช่ไหมคุณสามารถที่จะทําหลายอย่างพร้อมกันซึ่งมันอาจฉริยะใช่ไหม เพราะว่าพอคุณขับรถจนชินเนี่นะมันก็จะมีกระบวนมันก็จะมีวงจรในในใ น, ในสมองเนี่ยนะที่ทําให้คุณขับรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานในสมองเยอะคุณเอาพลังงานส่วนนี้ไปทำโน่นทํานี่ก็ได้ใช่ไหมข้อดีมันมีนะแต่ข้อเสียคือว่าพอมันทําเป็นนิสัยเนี่ยนะคุณจะพบว่าคุณจะมีคุณจะมีสติตได้ยากใช่ไหมคุณจะทําอะไรผิดๆถูกๆได้ง่ายใช่ไหม มีโยมคนนึงเนี่ยนะรับอาสาไปส่งพระกลับไปที่วัดนะพระก็นั่งอยู่หลังทั้งเบาะหลังโยมก็ขับรถไปขอบรถไปได้สักพักหนึ่งนะโยมก็เลี้ยวซ้ายพระก็ถามว่าโยมจะไปไหนโยมก็บอกว่าก็ไปส่งพระคุณเจ้าไงพระก็บอกว่าเนี่ยวัดอาตมานี่ตรงไปไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเกลี่ยวซ้ายเท่าไหร่ฮะทาลบานทางกลับบ้านใช่ไหมอัตโนมัติเนี่ย ใช่ไหมซึ่งในในพระปกติมันนี่ปัญหาแต่พอคุณไปส่งพระเนี่ยนะมันเป็นปัญหาขึ้นมามแต่ไปเป็นปัญหาหลายอย่างในะความเคยชินนะยกตอย่างเช่นมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกชอบอ่กิจวัตรจำวันนะก็คือว่าขับรถเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปไปช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งก็ไปซื้อของนะพวกพวก พวกของอะไรต่างพวกเข้าและแล้ ว, ลวพวกเข้าของเครื่องใช้เนี่ยแล้วก็ที่ไปซื้อกแค่ดิ๊กซีนะคือเป็นลาน จ, จอดแรถกว้างใช่ไหมเวลาแกเวลาเวลาแกไปเนี่ยนะแกแกไปถึงกก็จอดรถแล้วแกก็รีบลงไปซื้อของบังเอิญวันนั้นเนี่ยซึ่งเป็นวันเสาร์เนี่ยพี่เลี้ยงเด็กไม่อยู่พี่เลี้ยงเด็กกลับไปทุนละเธอต้องเธอต้องดูแลลูกเองและเธอเนี่ย เมื่อต้องไปช้อปปิ้งใช่ก็ต้องเอารูปติดรถไปด้วยเอารูไปไว้ไหนหลังรถใช่ไหมก็ขับไปพอไปถึงช้อปปิง้งนะไอไอมอลนะี่แกก็จอดรถแล้วก็รีบลงไปก็ทำนี้มาสิบยี่สิบครั้งเป็นร้อยครั้งนะแกลืมไปเลยว่ารูกเนีอยู่หลังรถไปซื้อของประมาณสีห้าชั่วโมงออกมาเนี่ยลูกตายแนละ้ว ใช่ไหมเนี่ยความเคยชินนี่นะข้อดีก็มีใช่ไหาแต่ว่าข้อเสียนี่ก็มาหานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะจะพึ่งพาความเคยชินมันไม่ได้นะมันต้องมีสตินะอย่างต่อเนื่องคราวนี้เนี่ยก็ต้องฝึกไงต้องฝึกให้มีให้มีให้มีสติเวลาเดินจงกรมเนี่ยก็ธรรมดานีเดินแล้วก็ที่จริงการเดินจงกรมเนี่ยที่เขาเดินให้ไม่ให้เดินยาวเนี่ย พอ่ออนะไรทาะเดินแค่สามสามไม่ลอบรบแล้วก็ เ, เ, เ, เดินกลับแทนที่จะเดินยาวเหมือนกับเดินเดิน ล, ลอบสามเนี่ยเพราะอะไรเออเพราะพอเราคุณกลับพอคุณกลับเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยหยุดสะดุดรู้สึกตัวแล้วก็วางความคิดแต่ว่าติดล้องก็ปรับตัวได้เร็วนะถึงแม้จะกลับมันก็ยังคิดต่อ <c oughs> ใช่ไหมหรือ <c oughs> ว่าจะเป็นเรื่องคิดมันๆเนี่ยมันก็จะคิดต่ออาจจะสะดุดสักพัก นะตอนที่คุณเลี้ยวแล้วคุณก็คิดต่อใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะมีความรู้ตัวไวขึ้นไวขึ้นนะแล้วก็อย่าทำเฉพาะแค่เดินจงกรมนะคุณทําอะไรเนี่ยคุณกินข้าวอาบน้ําถูฟันโดยเฉพาะเวลากินข้าวคุณจะสังเกตเลยนะว่าคุณเนี่ยใจลอยง่ายนะคนเราจะใจรอยง่ายโนะดนนเนเนยดพเยนะพราะเวลากินข้าวนะักปฏิบัติเนี่นะเวลาเดินจงกรมและสร้างจังหวะเนี่ยดีใบบินธบาเนี่ยมีสติแต่พอกินข้าวนะ ฟุ้งเลยแปงแว่าททำไมเวลากินข้าวเราฟุ้งนะฮะออตโต้ด้วยอร่อยด้วยใช่ ม, <c oughs> มันเลยแล้วก็มันเป็นนิสัยนี่ว่าเวลาเรากินข้าวเราคุยกันใช่ไหมเวลากินข้าวเราก็คิดโน่นคิดนี่ไปด้วย <c oughs> เขาเคยมีการทดลองนะให้ให้คนเนี่ยมามามาตักตักซุกในจานใหญ่ๆนะะซุกมาเขือเทศนะ คนที่เป็นอาสาสมัครก็ไม่รู้นะให้เขาทําอะไรหรืออาจจะถูกหลอกว่าอาจจะมาทดทดลองโงงทดลองนี่เนี่ยแต่เขาไม่รู้เลยว่าอใต้ตรงก้นก้นถ้วยเนี่ยนะมันมีท่อที่ต่อเติมน้าสุปตลอดเวลาทุกคนกินกินแล้วกินตักแล้วตักอีกไม่มีใครสังเกตเลยว่ามันไม่พร่องเลยหรือพร่องนิดหน่อยก็ตักกินนั้นแหนะตกักกินนั่นแหละ ไม่มีใครสังเกตเลย ว, ว่าเฮ้ยทำไมไม่หมดวะตัวนั้นเขาต้องเลิกเลิกเลิกเลิกปล่อยปล่อยสูเปร์ไม่งันเด็กมันกินมันท้องแต่กนะท้องแตกว่าอะไรฮะแตกว่าอะไรเขาต้องการบอกว่าอะไรเนี่ยไม่มีสติใช่ไหมทิดเพราะถ้าคนที่มีสติเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ธรรมนมันไม่คล่องหรือคล่องนิดเดียวหรือว่าทํามะมันไม่หมดสักทีใช่ไหมแต่วนี่อัวใจลอยนะแล้วเวลาคุณกินข้าวเนี่ยลองลอ ง, ลองฝึกให้กินอย่างมีสติดู เดีพอเวลาคุณกินคนเดียวนะโอเคถ้าถ้ากินกันเป็นหู่คณะเนี่อาจต้องมีสังสารกันบ้างแต่ถ้าเราลองกินเนี่ยที่วัดเนี่ยที่พยายามให้กินแบบมีสติเพื่อเห็นนี้และถ้าคุณเอาไปประยุกต์ใช้นะกับการทำํทำโน้นทํานี่นะเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อวานทําอะไรเนี่ยก็ให้ให้ฝึกสติไปด้วยในตัวแล้วที่อามารเน้นพูดเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานซื้อเนี่ยเรื่องการวางนะคนเราไม่คยมีปัญหาเรื่องหยิบ น, นะ ใช่ไหมยม่วนใหญ่จะหาเรื่องวางใช่ไหมแล้ววางแล้วหาไม่เจอใช่ไหมหายไปไหนเนี่ยฮะ เ, าาเออเน้น ว, วันฝึกคุ้นฝึกง่ายนะวันนี้นนตั้งตั้งปั้งตง ต, ติการตัวเเวลาจะวางอะไรนะให้ชา้าสักหน่อยนะแล้วก็กําหนดแล้วก็วางนะ<ม> ใ, หให้ให้เรียกความรู้สึกตัวกลับคืนมาให้เต็มที่เพราะบางทีเราวางเรามแบบขึ้นเงางาตามความเคยชิน แล้วก็ไม่รวกเป็นวางไว้ไหนนะโทรศัพท์กุญแจกระเป๋าเงินนะเนี่ยแล้วถ้าคุณเอาเอาแค่นี้นะเพื่อเวลาวางทุกครั้งนะเราจะตั้งใจมีสติมีความรู้สึกตัวก่อนจะวางนะเราจะไม่รีบทำทันทีเราจะหยุดสักหน่อยแค่นี้แค่เดียนนะคุณจะได้สติเยอะเลยเพราะวันหนึ่งคุณวางเนี่ยของเนี่ยร้อยสองร้อยครั้งได้ต่ม า, าว่านะวางวีวาง คุณแจวางปากกาวางไม้นะวางช้อนโห้ยแหว่นะชั่วนะโมงหนึ่งคุณวางน่มาตมาว่าคุณวางเนี่ยสของสิบชิ้นเนี่ยเป็นอย่างน้อยเน่ใช่เสื้อผ้านะผ้าช็ดตัวนี่น ะ, ะแล้วคุณถ้าคุณทำนี้นะคุณจะพ่แล้วคุณจะมีสติมากขึ้นในในแต่ละวันใช่นี่ง่ายง่ายไง ใครกลัวแล้วเหรอ <laughs> ผม้กครองกลัวไม่แกล่าถามไมเองคือถ้าเกิดสมมติอยากให้พระจารย์อนใบสภาวะที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยค่ะเป็นลักษณะยังไงคะ <c oughs> เพราะว่าคือบางครั้งที่เราเวลาเดินเนะะี่ยค่ะเราเรารู้ตัวว่าขามันขยับรู้ความตึงความหย่อนของกล้ามเง น, นะะื้อแล้วบางครั้งมันก็จะเห็นลมหายใจด้วยจริงนี้ถือว่าเหมือนเรา เออเปลี่ยนที่สนใจนี่คะที่แบบอาจารย์บอกว่ารู้เฉยๆเนี่ยรู้ซึ่ๆรู้เฉยๆก็เคยรู้รู้ทันความคิดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะไม่วิภาวิจาร์ไม่ตัดสินเช่นคิดเรื่องที่ไม่ดีคิดเรื่องที่เ <c oughs> จ็บแค้นพ่อแม่โกรธน้อย ใ, ใจท่านเี่ คนนึกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะรู้สไม่ดีนะคิดแบบนี้ไม่ดีนะนะแล้วก็พยายามกดพยายามลืมแต่ว่าถ้าทีเราเฉยๆแค่รูเ้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่วิพาวิจารณ์แล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนตัวเองนะอันเนี้ยคือความหมายเนี่ยหรือว่าเวลาคิดเรื่องที่ดีก็ไม่ไม่ไม่เคลิอไม่ไม่ปลื้มไม่กำมันมีคนชมเรานะ เออเราก็อยากจะเราก็ปลื้มอยากจะคิเรื่องนี้นานๆคิดบ่อยๆนะก็ให้แค่รู้ทันแล้วก็เฉยๆกับมันอันนี้ควารู้สึกตัวนี่นะมันอย่างที่เราบอกคุณเกิดจากการที่จิตมันอยู่กับเนื้กับตัวจิตมันไม่ส่งออกนอกจิตไม่แปรดีดไม่แปรนาคเพาจิตมันอยู่กับปัจจุบันนะการรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเบามันจะโล่งเพราะตอนนั้นเนี่ยจิตมันไม่แบกอะไรใช่ไหม มันไมแบกความคิดมันไม่แบกอารมณ์ในดๆมันก็จะเบาและแบบเพราะเช่นั้นเนี่ยนะไอ้ความความรู้สึกอันนี้มันละเอียดเลยนะความรู้สึกว่ามีตัวฉันเนี่ยมีตัวกูเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏเพราะว่ามันไอ้ความรู้สึกความสว่มีตัวกูเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไม่รู้สึกตัวนแปลนะ่ะเมื่อรู้สึกตัวก็ไม่มีตัวกูนะแต่พอ ไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็โผล่ขึ้นมาเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่ง <S <S เมื่อจิตหลง <S <S เมื่อจิ ต, <S <S จตไม่รู้ตัวตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นกระบวนการทางจิตนะดังนั้นความทุกคนในี่จริงพวกพวกเราทุกคนมีทั้งนั้นประสบทั้งหน้าความรู้สึกตัวแต่ไม่ต่อเนื่องมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หลงแล้วก็หลงยาแล้วก็รู้สึกตัวใหม่พึทเดียวแล้วก็ไปแล้วแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวเันจะทมันจะต่อเนื่องมันจะต่อเนื่อง มันก็จุดนะจุดคุณจุดจุดจุดจุดบ่อยๆมันก็จะเป็นเส้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็สังเกตอย่างหนึงคือว่าถ้าคุณไม่สุกตัวเนี่ยนะคือตอนนั้นเวลานะคุณมักจะใจลอยนี่นะคุณจะรู้สึกว่ารอบๆตัวข้างๆเวลาคุณเดินหรือคุณไปไหนเนี่ยมันจะเบลอเวลาคุณเดินน่ยคุณจะรู้สึกมันเบลอแต่พอรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารอบตัวนี่มันชัด แต่ไม่ได้ชัดแบบเพ่งนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้ตอนที่มันรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับละเมอมันเหมือนกับละเมอคล้ายๆละเมอคือมันไม่ชัดน่ะและพอพอมันรู้สึกตัวเนี่ยมันจะชัดความรู้สึกมันก็มันตื่นจริงๆมันไม่ละเมอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านจิตนาหารเขียนหนังสือปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอเนี่ยนะไอ้คำว่าตื่นเนี่ยนะก็คือว่าไม่ละเมอไม่หลับนะ เวลาที่เราหลงหเวลาไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะละเมอมันมันก็นหลับแต่พอมีสตริรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ตื่นคือมันชัดใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยมันมันมันเป็นสภาวะที่คุณจะไม่รู้สึกจนกว่าจะ ม, มีการเปรียบเทียบระหว่างความหลงกับรู้ตัวเนี่ยถึงค่อยจะรู้ว่าไอ้ที่ไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันละเมอเหมือนที่เวลาเรางั่งอย่างเงี้แล้วเรารู้สึกแล้วเรา เห็นลมหายใจที่มันหายใจเข้าออกแล้วมันรู้สึกโล่งๆในตัวอย่างนี้ใช่ไหมครก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกมันรู้สึกเป็นแบ็กกราวน์นะความสุขมันเป็นแบ็กกราวน์เป็นแบ็กกราวน์แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงไม่ใช่ชัดเจนมันเป็นแบ็กกราวน์ใช่ไหมจริงๆก็เหมือนกับเวลาเวลาคุณมองหน้าอาตมาเนี่ยนะคุณไม่ได้เพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมคุณมองรวมๆใช่ไหมแล้วคุณก็รู้ใช่ว่าหน้าเน่คือหน้าอาตมาเวลาเรามองใครเราไม่เคยมองแบบ เพ่งที่จมูกไปเพ่งที่ปาใช่ไหมเรามองรวมๆแล้วเราก็รูเป็นไทยตรงข้าถ้าเรามองเป็นจุดเนี่นะมันก็จะไม่เห็นภาพรวมเวลาคุณดูจอโทรทัศน์เนี่ยเวลาคุณดูโทรทัศน์เนี่ยคุณก็ดูภาพรวมๆนะฮะคุณดูรู้เรื่องคุณดูจอหนังเนี่ยเวลาคุณดูหนังจอใหญ่คุณก็ดูรวมๆคุณไม่ได้ดูเฉพาะมุมซ้ายมุมขวาธรรมชาติคนเราเนี่ยนะมันมันรับรู้แบบรวมๆอยู่แล้วใช่ไหม แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาความรู้สึกตก็เหมือนัความรู้สึกก็เป็นอาการธรรมชาตินะเวลาคุณรับรู้ลมหายใจคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นลมหายใจที่เป็นแบ็กกราวด์แต่ไม่ใช่คุณไ ป, ไ ป, ไ, ปไปจ้องไปเพ่งมันจนชัดเจนถามต่อเลยคะ่ะพอสภาวะนี้เนี่ยมันมันรับรู้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันมันจะอยู่กับเราตลอดไหมคะหรือมันจะหาอ๋อไม่มันเท่ากับว่าเรา มันเป็นเรื่องนิ ส, สยัยเรื่องความเคยชินเนี่ยความสึกตัวก็เป็นเรื่องความเคยชินไงคือทําเป็นนิ ส, สัยเนี่ยจกนกทั่งมันมันมีสติต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่ปฏิบัติหรือว่าเราปล่อยใจลอยฟุ้งเป็นอาจินเนี่ยความหลงก็จะกลับคืนมามันก็จะมามากินที่ในจิตใจของเราพูดอย่างถึงที่สุดนะชี่ิคนเราเป็นเรื่องการต่อสู้หลังรู้กับหลงนะในแง่ขงชาวพุทธเนี่ยเป็นการต่อสู้หลังรู้กับหลง ว่าหลงนี่จะกินพื้นที่ชีวิตหรือจิตใจเรามากกว่ารกับรู้การปฏิบัติคือการที่เติมพลังความรู้เข้าไปจัวหะทงกินพื้นที่ความหลงจิตใจเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับห้องนะคนที่ไม่ปฏิบตับนนะ ต, บติเนี่ยก็เหมือนกับว่าห้องมันมืดมืดนะแต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับว่าเริ่มจุดไฟเริ่มจุดเทียนมันเริ่มสว่างแล้วแต่มันสว่างได้ปเดี๋ยวมันสว่างได้แค่ใกล้ๆและไก ล, ก, ลก็หลง นี่ปฏิบัติมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเพิ่มเทียนเข้าไปเพิ่มเทียนเข้าไปความสว่างก็เริ่มกินพื้นที่ในในห้องนั้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังมีความหลงอยู่ยังมีความมืดอยู่พระอรหันเนี่ยนะท่านสว่างแบบไม่มีมุมมืดแล้วนะไม่มีสิ่งที่เราจิตไร้สํานึกต่อไปจิตของท่านนี่สว่างไม่มีมุมมืดของจิตของคนเราเนี่ยนะมันก็ยังมีมุมมืดอยู่ไอ้มุมมืดนั่นแหละคือตัวหลงและถ้าหลงมากๆก็เป็นจิตไร้สํานึก คือมองไม่เห็นเลยเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาบังเนี่ยใช่ไหมงนั้นการปฏิบัติคือเราการปฏิบัติรมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาคือการเพิ่มตัวรู้ให้มันกินพื้นที่กินพรหมแดนมากขึ้นในจิตใจของเราหรือว่าเพิ่มความสว่างในห้องและจนกระทั่งถึงวิสุทธิ์เนี่ยไม่มีมุมมืดเลยเนี่ยอันนี้คืออุดมคติสูงสุดของของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้รู้กับหลมก็จะสู้กันอยู่นั่นแหละเวลาปฏิบัติเราจะพบว่ามันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็หลงใช่หไหมแล้วพอถึงจุดห น, นึ่งเนี่ยปฏิบัติมากๆนะรู้มันจะเริ่มชนะหลงแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการยืดยุดงกันระหว่างรู้กับหลงคนที่ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งนะจะรู้สึกมันมีการยืดยุ่งกับชาติกันมันเมืนก็ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็หลงเบลเบลนะมันรู้สึกมันเปลี่ยนซี่ไปซี่เสี่ยงเปลี่ยนซี่ข้ามไปข้า จะพอฟัดพอเบี่ยงกันหลงแล้วแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปเนี่ยรู้มันก็จะมากความหลงก็จะาพ่ายแพ้แต่ถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆนะก็เหมือนกราไม่ออกกำลังกายอนะ่ะคนักจ็อกกิ้งหรือว่านักนักยกน้ําหนักเนี่ยถ้าไม่ฝึกถ้าไม่ฝึกนะบ่อยๆมันก็กล้ามเนื้อมันก็หย่อนใช่ไหมมันก็ก็อสมรรถภาพของร่างกายก็น้อยลงฉันต้องทํำ บ, บ่อยๆ จนกว่าจะถึงขั้นเป็นภาริยเิจ้าเนี่ยถึงที่เรียกว่ามันอยู่ตัวถามต่อจากเพิ่งนะอาจารย์เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าตอนเดินเนี่ยบางทีก็รู้ที่เท้าบางครั้งก็รู้ที่เท้าและลมด้วยนี้ก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าเวลารู้เนี่ยให้รู้ทีละอย่างสาหรับคนปฏิบัติใหม่เนี้ยคะ่ะแตนี้ถ้ามันรู้พร้อมกันสองอย่างมันจะเป็นอะไรไหคะอันนี้เาคงหมายนั่นหูบาจารย์แนการกาหนดนะการกำหนดนะ แต่ว่าถ้าหากว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเช่นเนี่ยหลวงพ่อเทีย น, นก็พูดเสมอว่าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่เเทงเวลากระพริบตาเวลาเกินกืนกินน้ำลายก็รู้ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยการกระพริบตา เ, เกิดขึ้นระหว่างที่เดินแล้วกืนน้ำลายเกิดขึ้นขณะที่สร้างจังหวะก็รู้แต่มันรู้แบบว่ามันรู้เองไม่ใช่ไปไปมองไปสแสวงหาแต่สําหรับคนที่ปฏิบัติใหม่เนี่ยก็ให้ให้ ให้เขาแคเหมือนกับกําหนดก็เหมือนกับว่ากําหนดไปว่าใส่ใจหน่อยนะก็คือว่าใส่ใจนะคือว่าให้ให้รู้เวลาเดินนะแต่จริงเนี่ยก็ให้รู้ทั้งตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะที่ขาที่เทา้านะแต่เมื่อรู้ตัวไปไปไปเลื่อยขึ้นจินมาละเอียดขึ้นเนี่ยหายใจกระพริบตาคือ น, น้ํำลายก็รู้แต่ไม่ได้รู้เข้าไปไปสอดส่ายหามันแต่ว่ามันมั น, ม, นมันรับรู้เอง เวลาที่เราเดินจงกรมนะหลายคนเดินใหม่ๆก็เสียงนกเสียงจิ้งหรีดทักกะต่าก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะใจไม่ว่างไงแต่พอพอเราเริ่มสึกตัวใจเราว่างว่างจากความคิดเนะี่ยเสียงอะไรมาก็รับรู้นะสูงคือว่ารับรู้แบบเป็นแบ็กกราวนะ์นะอย่าไปชัดๆชัดๆแปลว่าไปเพ่งมันจริงดูเวทนารู้เวทนาก็เหมือนกันนะรู้เวทนาเนี่ยคนไปเข้าใจาต้องไปจ้องมันนะ ไปต้องมันก็โดนมันโดนมันรั่วไปเลยโดนมันดูดไปเลยเวทนานี้เหมือนลุมดำนะพอเข้าไปใกล้มันก็ดูดหายไปเลยเราเพียงแค่แค่แค่ชั่มเลืองบางทีท่านอาจารย์เรียกว่าชั่มเลืองหรือว่าดูดเป็นแดกกราวแล้วออของผมมันจะเป็นว่าโน่ได้ยินเสียงหมาเห่ากว่านจะ วางมาลงจะจะต้องมีหยุดคิดหรือเรียกชื่อมานิดนึงอย่่งว่านี้หมาเห่าอันนี้จะกจระจันล้องอันนี้คิดเรื่องแรกเวรอันนี้คิดเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับคือมันจะเรียกชื่อมานิดนึงก่อนที่จะไปลก่อนที่จะวางนะครับอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคไหก็เป็นนะมันก็เป็นการเป็นการใช้ความคิดต้องบอกสักแต่ว่ารู้เนี่ยรู้เฉย ไม่ต้องเรียกชื่อมันก็ได้แต่การเรียกชื่อมีประโยชน์เหมือนกันนะโดยเพราะถ้าเราเรียกชื่ออารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเรียกชื่อที่กอดเนี่ยแนะนําว่าโกรธเนอเศร้าหนอะเนี่ยพอเราการเรียกชื่อมันก็ทําให้มันทําให้มันสะดุดได้อารมณ์เนี่ยสะดุดได้แต่ต่อไปเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อมันเราก็รู้ว่าอ้อนเนี่ยโกรธที่จริงคําว่าโกรธอะไรพวกนี้ก็สมมุตินะเพราะามันก็เป็นแค่ ส, สภาวะเฉยๆแต่ว่า Uh, ถ้าจะให้ให้ดีเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเรียกชื่อมันไอเป็นเพราะว่าเราเราถนัดการใช้ความคิดนะความคิดมันก็เลยเข้ามาแทรกในทุกภัสสะที่เกิดขึ้นคนที่คิดใช้ความคิดตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างอาตมาเนี่ยหลายครั้งตอนที่ปฏิบัติปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะสงสัยเสมอว่าเอ้นี่เรากาลังคิดอยู่หรือเปล่านะมันมีความคิดขึ้นมาเอ้นี่กูกาลังคิดอยู่หรือเปล่านะใช่ไหม อ่ะไอ้นี่กูคิดแน่หรือวะเนี่ยอะอะ่คือมันจะมีไอตัวนี้พุมาเ <Sorry. S 1> ออเรือกคิดซ้อนคิดเพราะมันใช้ความคิดเยอะมากจนกรทังถึงแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็มันก็วางหมันก็มีแต่ใช้ใช้ใจรับรู้ อ ย, อ, อยากทราบถึงอารมณ์ของพระอาจารย์ค่ะว่ารู้สึกอย่รกับะทู้เหล่านั้นคอมเมนต์เหล่านั้นยังไงนะคะและ้วพระอาจารย์วางใจยังไงแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเหล่านั้นที่เสนอมาเราพูดตรงๆ เ, เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยคอมเมนต์ทั้งหลายโห <อง S 2> ด, ดไปแล้วก็าตามาเล่นกินแม้ท่างบางทีเดี๋ยวนี้ตมาแม่ทั้งการแชร์นี่ก็ฝากให้คุณช่วยแช่นะไอที่ไปไอโพในในเฟซบุ๊กตมาเนี่ย ใช้มือคนนึงก็เยอะนะหมายถึงว่าเป็นการแชร์นะแต่ว่าโพสจะมาโพสตเองแต่ว่าตมาก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ละเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันด่าซะเยอะแล้วก็เลยคิดว่าเอออย่าไปดูมันเลยดูไปก็มีประโยชน์นะแต่ว่าแต่ตมาก็เข้าใจนะคือคือทําไม่ถ้าไม่พูดเรื่องการด่านะพูดถึงเรื่องคอมเมนต์เนี่ยนะตันวาก็เข้าใจเพราะว่าคนเนี่ยพยายาม พยายามมองในมุมของประโยชน์ของชาติประโยชน์ของชาตินะใช่ไหมแล้วก็ <Okay. S 1> ก็จะมองว่าโรยินันจะเป็นภาระของชาติยังไงบ้างโอเคตัมมานี่เข้าใจแต่ตัมมาคิดว่าสำรัชาพุทเนี่ยนะความเป็นมนุษย์มาก่อนชาติใช่ไหมความเป็นไทยเนี่ยสมมุตินะ mm. เราเป็นไทยทีหลังความเป็นมนุษย์แล้วความเป็นไทยก็เปลี่ยนได้นะ mm. เปลี่ยนสัญชาติได้ใช่ไหม แต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณไม่มีคสา ม, มารถเลิกได้และความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมาก่อนความเป็นชาติอันนี้ในแง่ชาวพุท น, นะที่จริงเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องยังไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าต้องต้องเรียกว่าความเป็นความเป็นความเป็นรรสัตว์ต้องมาก่อนความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าสรรพสัตว์เนี่ยก็เป็นเพื่อร่วมทุกข์ของเราเราจะไม่มีแบ่งว่าเออเรามนุษย์เราคือมนุษย์เราไอ้นี่สัตว์นะนี่นี่ช้างนะ คนละพวกกับเไม่ใช่พูดเราก็ต้องมองว่าเนี่ยนี่คือเพื่อร่วมทุกเหมือนกันคือพูดที่มันไปถึงขนาดนี้น ะ, ะเพราะถ้าเรื่องชาตินนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะม้กทั่งความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยังเป็นตัวกีดกัน ร, ระหว่างเรากับสัตว์อื่นใช่ไหมแต่ว่าพูดอันนี้พูดแบบคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราต้องเป็นมนุษย์ก่อนเป็นก่อนเป็นคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเาคิดว่าเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะโรฮิงยาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีอะไรที่เราช่วยกันได้บ้าง ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราทึ่งถ้าสมบูรณความเป็นไทยนี่นะอาจจะมองอยู่แบบนึ่งใช่ไหมมันอยู่ที่การสวมหมวกอาจารย์ครพูดถึงเว็บไซต์พอดีเคยเข้าไปอ่านเว็บไซต์ของอาจารย์นะคะที่เป็นปุจฉาวิสานชนานะะถ้ากรณีว่าเราอยากจะสักถามปัญถาธรรมะอะไรอย่างค่ะอาจารย์นี่เราจะ นในเง็บในเฟซมันมีเมสเซจช่องเมสเซจใช่ไหมก็เขียนเข้าไปตรงนั้นแหละไม่รู้นะตามามก็ไ ม, กไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะ<ช><ช>ไอ้ที่ตามาเปิดไปดูเนี่ยกับคนอื่นเปิดเนี่ยมันคนมันไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะตามาเป็นแอดมินด้วยแล้วนานๆตมาไปเปิดดูทีเวลตาตมาเปิดมันไม่มีช่องเมสเซจแต่คิดว่าคนที่เป็นฟอลโล่เป็นเฟรนเนี่ยน่าจะมีช่องเมสเจก็สายเข้าไปตรงนั้นแลแต่บางคนก็ส่งอ e ีเมลมาที่ตามาโดยตรงเลยนะ อาจารยก็ตอบไปแล้วก็ส่งส่งคําตอบไปให้ไปให้อดมีมเขาก็เอาขึ้นเฟซบุ๊กถ้าอยากจะถามกควถามอาจารย์ว่าจุดเกียนที่ทําให้ท่านมาศึกษาธรรมะค่ะโอนี่มันก็ยอดหรอไปไกลนะสมัย <c oughs> สมัยสี่สิบปีที่แล้วนะสีสิบปีที่แล้วก็ว่าดได้ก็อ่านหนังสือเป็นหลัก จุดเปลี่ยนสําคัญในของธรรมานี่เกิดจากหนังสือเยอะนะจุดเปลี่ยนนั้นก็คือกรรมประสิทธิใช่ไหมธรมะชอบมากนะแล้วก็ชอบตอนที่กรรมนิสน้สัญญาผู้เจ้าโอ้โหเราเจอผู้เจ้านะี่ฉลาดนะก็ทําให้เกิดศรัทธาในท่านมากขึ้นแล้วก็อ่านเนาะเจ้าพุทธทาสอาจารย์สุรักษนะอาจารย์สุรักษก็เขียนเรื่องพุทธศาสานาเยอะก็ทําให้สนใจแต่ที่จริงพื้นพื้นของธรรมาเนี่ยอยู่อยู่โรงเรียนคริสตเนี่ย ก็มีการพูดเรื่องธรรมะอยู่แล้วนะธรรมะธรรมะที่มันปรากฏในรูปของคําสอนที่เป็นสากลความซื่อสัตย์ความขยันอะไรพวกนี้คือเพราะสามชั้นเนี่ยเ น, นเรื่องความซื่อสัตย์มากนะความขยันหมั่นเพียรความพึ่งตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็เป็นธรรมะที่ทําให้รู้สึกว่าเออจิตใจเราก็ฝ่ายไปทางนี้แล้วก็มีเห็นนับบวชที่ก็เป็นตัวอย่างของผู้มีคุณธรรม คือมันก็มีการปลูพื้นเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพอมาสนใจรู้จักพุทธศาสนาเนี่ยมันก็รับได้เร็วแล้วก็ยิ่งมาสนใจพุทธศาสน า, นาว่าไม่ใช่ในเชิงปัจเจกป็นในเชิงสังคมด้วยว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีประโยชน์ในต่อสังคมยังไงบ้างเราก็ทําให้ทําให้ยังคงศึกษาพุทธศาสนานต่อไปถึงแม้ว่าตัวจะสนใจการเปลีป่ยนแปลงสังคมสนใจเคยเคยเป็นซายอยู่พักหนึ่งนะ แต่ว่าตอนหลังเพราพุทธศาสนาก็เป็นคำตอบได้นะสหรับสังคมไม่ใช่เฉพาะต้องสังคมนิยมหรือมาร์กซิส์เท่า น, นั้นมันก็ทำให้กลับมาพุทธศาสนากลับมาเชื่อในเรื่องอคหิสงสานะอันนี้เหมือนประเด็นก็จะว่าไปเนี่ยเรื่องของหนังสือแล้วก็แบบอย่างบุคคลก็มีส่วนช่วยเยอะ ยั่ไงพุงได้เวลายัางเป้าเลือพี่จะเมานี่พี่มีคำถามเยอะเนะท่ยถ้าไม่อ่าอะ่ะคุณเป้าขขงแสวตุมคือตอมที่พระจารย์ว่าความเบื่อแสดว่าชีวิตมันปกติตุงก็เลยแลลบบเนยราออปฏิบัติไม่เบื่อเลยนะถึงสามวันเนี้ยตุ้ก็ไม่เบื่อมยิ่ง็ปกติอ่ะามันยิ่งกปกตินะมันเห็น นอกจากนอกจากเห็นนอกจากปกติแล้วยังเห็นแง่มุมที่พิเศษของความปกติใช่มมีคนเขาบอกนะที่เปาโลโคโคเอลโยใช่ไหมเออคือนามสกุลนี่มีคนเขียนต่างกันเยอะเขาบอกว่าใครที่รู้สึกว่าทุกวันนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเหมือนคนตามบอกเพราะว่า คนตาบอดก็จะเจอทุกวันเหมือนเดิมก็คือมันมืดสนิทใช่ไหมแต่คนตาดีจะพบว่าทุกวันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมสีสารของท้องฟ้าแล้วแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็ไม่เหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้อธิบายให้ท่าบอกว่าทุกวันเนี่ยมันมีความแปลกมามีความมหัศจรรย์ของมันเองอยู่เสมอนะเราต้องเห็นตรงนั้นนะและถ้าคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆจะพบว่าทุกขณะเนี่ยก็ไม่เคยซ้ำเลยทุกขณะเนี่ยใหม่เสมอนะ ทุกขณะเนี่ยที่เดินทุกขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะใหม่เสมอมันจะใหม่เสมอทั้งในแง่ของภรรษาทั้งในแง่ของประสบการณ์ทั้งในแง่ของอารมณ์ทำมาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันจะใหม่เสมอมันไม่เคยซ้ํากันเลยก็คงเหมือนกับเมฆนะที่ว่าแต่ละแต่ละนาทีเนี่ยแต่ละวินาทีเนี่ยไม่เคยซ้ําเล ย, น, ยนะเมฆนะไม่ว่าวันไหนหรือชั่วโมงไหนเนี่ยท้องฟ้าหรือเมฆเนี่ยมันจะมันจะใหม่เสมอนะมันจะไม่เหมือนเดิม แลจิตใจเราคิดตูนะโหมันมันเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าเมฆยิ่กว่ท้องฟ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ว่าประสบการณ์ด้านในนะมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเสมอมันจะไม่มันจะไม่ซ้ําเดิมนะมันซ้ําเดิมแต่ไม่ซ้ำซากนะนะข้างนอกก็เมือนกัข้างนอกก็จะก็จะมีอะไรใหม่อยู่เสมออันนี้จิตการจราศาสตรมันทำให้จิตเราละเอียดจนกระทั่งเห็นความใหม่ความสดของแต่ละขณะอยู่ตลอดเวลา และกพระเห็นนี่มันจึงไม่เบื่อค่ะตอนนี้ตูมีคำถามที่กำลังให้หวนเพื่อพยายามที่จะเอาตัวเองแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นเข้าไปทำ ง, งานในวงการดูรแพทย์เทพเช่นนหัวกรรไแล้วก็ดูแพทย์เนี่ยก็เชื่อ่ไม่เชื่อเชื่อคือ เรื air, iron, ่องคุยกันเรื่องทฤษฎีเรื่องกา Affirmative Learning การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของมอนสิโรซึ่งก็จะพูดเรื่องของ perspective ทางฟหรือการเปลี่ยนแปลงมองมองซึ่งดูมองว่าคล้ายคล้ายกับซีแคนที่เมื่อกี้ผู้จัดพูดก็คือจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เปิดจากหมวกสีดำเป็นหมวกสีอื่นอะไรแบบเนี้ย กระบวนการอันนี้ก็เป็นเ็ตที่หนึ่ซึ่งก็มีคนมักจะถามว่าแล้วมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนต่อเรื่องไหมเออมันหนึ่งมันเปลี่ยนไหมสองแล้วมันจะความเปลี่ยนนยี่มัน ย, ยั่งยืนไหมคําถามคือเหมือนแจงหมดนะคะเปลี่ยนไหมแล้วก็เปลี่ยน ย, ยั่งยืนไหมประเด็นแรกคือเรื่องซิแคประ็น ประเด็นซึ่งเป็นซ่งอธิบายโดยโดยมอซิโรแล้วครูแพทย์ทั้งหเนี่ยก็ลองที่จะจัดกระบนการเรียนเป็การจัดที่ไม่ยากประเด็นที่สองเนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์พูดเรื่องเซลล์กิ่ในสมองคือตุ๊กบอกว่าเวลามันเปลี่ยนจริงเนี่ยถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนแค่แวบเดียวอ่ะมันมันคงไม่ได้อะไรอ่ะคือจัดกระบวนการเรียนลุ้งไปแล้วก็แค่อ๋ออย่างนี้เลยที่เขาเรียกกิ่นบวกมันก็จบทีนี จัดบวนการเพิ่มขึ้นมาอีกยังไงที่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนเซอร์กิตที่เมื่อกี้เนี้ยน้องๆหลายคนพูดเรื่องเปลี่ยนความคุ้นชินซึ่งตรงนี้ที่สี่พฤติกรรมที่สีทางวาศาสตร์ก็อธิบายก็ต้องทําซ้ำๆดิทาซ้ำเอฟโคซ้ๆมีพฤติกรรมซ้ำๆเลยออกกำลังกายอย่เดมนี้ยมันก็จะเกิดความคุ้นชินเพราะฉะนั้นจากการแบบเอาเรื่องลบเป็นบวกมันได้หรือเปล่คะคิดลบเธอก็จะคิดบวกเกงขึ้นเธอก็จะมีมุมมองมากขึ้น อันนี้ก็ในเชิงพฤติกรรมเนี่ยมันก็คงจะเป็นการเรียนรู้ได้ไม่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ว่าคุณจะต้องมีฉันทะที่จะไปทําอะไรทคำสังพอถึงสเต็ปที่สามเนี่ยคือการเปลี่ยนในเชิงของจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ที่ตุ้ธามตุ้ธามต่อจากพึ่งตรงที่ว่าพอภาวนาไปแล้วเนี่ยตัวรู้มันมันเริ่มมาเนี่ยเมื่อที่ตุ้ธามว่า แล้วมันแล้มันยังยืนไหมพระชายก็บอกว่ามันไม่ยังยืนพราะบ้านหลงนี่มันยังเยอะมันก็จะต้องมีการภาวนาะทั้งสมกระบวนการตรงนี้เป็นกระบว น, นการที่ถ้าสมมุบบติว่าตุ๊จะเอาเรื่องนี้ไปไปขายครูแพทย์สามปีแรกเนี่ยตุ๊มีโอกาสได้สอ น, นักในษาแพทย์ผ่านศึกษาไปลงชุมชนสร้างทีมกระบวนการพวกนี้สะท้อนที่ปลายเจือท่านอย่างน้อยแย่ตุ๊คิดว่า เรื่องซเนี่ยมันเปิดเปิดมุมแล้วเปิดมุมมองเด็กได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อให้เด็กได้ทำซ้ำๆโปรโตโคอ ล, ลทำทซ้ำก็มีเช่น <c oughs> ทุกครั้งที่เวลาคุณไปดูคนไขน้เนี่ยไม่ได้ดูแค่เรื่ตตรองสรกางความวร่างกายคุณต้องถามไอ e ดล e ิล i ิ่งฟ n ง t i o n เรสเพคเตชัก็เหมือนโคเชทำซ้ำๆเป็นไปได้แหละแต่ตอนสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ย ม, มันจบด้วยเด็กเนี่ยเขาก็ถูกกระทบจากกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบทางด้านคลินิกเขาถูกกระทบจาก b ีอิงของครูแพทย์จากสิ่งแวดล้อมของเขาแล้วสุดท้ายก็คือที่สอนไปปีหนึ 3, ่งถึงปีสาก็จบปี6ออกไปอยู่โรงพาบชุมชนหายหมดเลยในวงการครูแพทย์ก็บอกว่ามันตุกกำลังเอาเลยมาเข้ากับ มาเข้าวงการเนี่ยแล้วมาการันตีไหมว่ามันจะเกิดมันจะเปลี่ยนตู้ก็ไขวดไปเรื่อยๆแล้วก็เกเมื่อกี้ท่านาจารย์ตอบมาตู้ก็ตู้คิดว่าตู้ไป ต, ไปตอบเขาได้เแต่ตู้เหมือนไม่สามารถไปอพอมิสกับเขาได้ว่ามันจะเปลี่ยนแล้วเขาก็คงบอกว่ามันยากมากเลยนะหมอเอาโครงการอะไรเข้ามาเอากระบวนการอะไรเข้ามามันไม่การันตีที่จะเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนในระดับ ใจอ่ะในระดับจิตวิญญาณพระอาจารย์เข้าใจตรงนี้ไหมว่งทุการคอตัมมาว่าอาตาวนี้คือโอเคนะมันต้องทำซ้ำๆนะแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะอยู่ตัวมันมกลายเป็นนิสัยเมื่อกลายเป็นนิสัยเพราะนั้นตัมมาคิดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะไม่ใช่ว่าจะโอนอ่อนไปตามเสียงล้องเสมอไปใช่ไหม แต่ว่่าเมือเมื่อชาในผู้เรื่องอิทธิผลสิ่งแวดล้อมเยอะนีแต่มันไม่ได้แปลว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีผลต่อมนุษย์ไปตลอดใช่ไหมเราก็เพราะว่าในในในสถานการณ์ที่กดดันบีบคั้นอย่างที่ด้วยอย่างเช่นก็มีคนศึกษาเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยตอนที่อยู่ในค่ายกักกันนาซีมันก็มีคนจำไปน้อยเนี่ยที่พวกเดียวที่กลับที่แปรพักไปเป็นเป็นมือไม้ของนาซีแล้วก็มากระทํา เบียดเบียนชาวยิวบางคนก็เพี้ยนไปเลยแต่บางคนเนี่ยก็ยังสามารถจะมั่นคงอยู่ได้ยังสามารถควบคงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นะไม่ไม่ไม่กลายเป็นคนที่เอาอตัวรอดหรือว่าไม่กลายเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวเนี่ยตอนที่สิงห์วรรนกดดันมาให้ให้เปลี่ยนก็พบว่ามันเป็นเพราะว่าเขามีอะไรข้างในอยู่ในอยู่ในอ ย, อยู่แล้วเนี่ยให้สมาคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราเรื่องง่มันเป็นนิสัยแล้วไง ใช่ก็ภาษาภาคมันมีโยนิสมันสิการกที่มันตั้งมั่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นนักสารท่เกิดว่าเขาเาผ่านประสบการณ์เรียนรู้จน่เขาเเออนี่ใช่นะมันมีความหมายต่อชีวิตเขามากนะแล้วก็เจอเาเจอเาเจอผู้แพทย์ที่สอนเขาตรงข้ามเนี่ยเาก็จะวิภาวิจารณ์ก็จะมีภูมิต้านทานที่จะไม่คลอยตาง่ายๆใช่แน่นอนคิดว่านักศึกษาแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าจะจะเป็นเหมือนกับน้า ที่ขึ้นอยู่กับภาชนะล้วนๆนะถึงจุดหนึ่งนี่ยมัไม่ใช่นามแล้วล่ะนะมันก็มีความตัวขงตัวเองซึ่งตรงนี้จะมาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยนะที่ที่นิสัยหรือว่าความความมั่นคงในจิตใจนะซึ่งตรงนี้จะมาว่าเราต้องทําให้มันเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เราจะเป็นตัวการันตีว่าความเปลี่ยนแปลง ก, ก็จะต่อเนื่องยั่งยืนเหมนเหมือนติดตาประทับรับรองความเชื่อมัน่นค่ะ โยนิสุลมนัสิกาที่มีความันมันอดีเพิ่งเพิ่งคุยเรื่องนี้ค่ะในในกลุ่มของผู้บริหาสรสพกระชอนที่ตอนนี้เขาดังสนใจแล้วท่านประธานดูไปทํางานแล้วก็มีผู้บริหารที่ยังถามเรื่องนี้ตู้ตอบได้ไม่ชัดอย่างที่พระอาจารย์ตอบแต่ว่าร <c oughs> ับาให้เขาฟังว่าเอ่อตอนที่เราทําทํากิจกรรมช่วงปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ยเราให้นะักศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเขียน reflective เขาก็จะเขียนแบบด้วยพลังเดียวในสมนาศิการเพราะว่ามีมีอาจารย์แบบจุ๋มแบบหมอประกรอบอะไรแบบนี้ค่ะที่จะคอยช่วยเขาตัวผู้พูดเป็นภาษาไทยรู้กบอกว่าใช้พลังไข้ควนด้วยสติเด็กเนี่ยใช้พลังไข้ควรด้วยสติเป็นเมื่อเมื่อเจอประสบการณ์ตรงอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำวิจัยโดยเอารีเฟกทีฟอุกรณ์เนี้ยของเด็กช่วงปีหถึงเนี่ย กลับไปให้เด็กคนเดิมเรสัพอคนเดิมแต่ว่าจบแล้วเป็นคุณหมอใหม่เ อ, อจบใช้ทุนประมาณปีหนึ่งปีสองตัแบบเนี้ยเด็กร้องอุทานว่าผมเคยคิดอย่างนี้เป็นได้เหรอมันได้คำตอบอะค่ะว่าทำอย่างไรเราจะจะสร้างพลังคข้ควนด้วยสติให้มันมีความตั้งมั่นในตัวเด็ก คือตัวที่จะช่วยหล่อเลี้ยงนะซึ่งอันนี้ตมาก็พูดไปเมื่อวันก่อนกันก็คือความสุขความดีกับความสุขนี่มันต้องถ้าทำความดีไม่มีความสุขนะอมันมันดีไม่ได้นานนะแต่ถ้าทำความดีแล้วมีความสุขเนี่ยมันอยู่ได้นานสุขในที่นี้มันเป็นสุขภายในนะเช่นอาจจะอาจจะไม่รวยใช่ไหมหมอเพื่อนคนอื่นนี่ก็รวยไปนะโอยรวยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเราก็ยังพออยู่พอกินนะ แต่ว่าเราจะไม่วันไวเลยถ้าเรามีความสุขอาตมาคิดถึงอาจารย์ผัวนอาจารยปวยเนี่ย น, ยนะบ้านแกก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยนะก็เป็นบ้านไม้นะแล้ววันนึงสลิดบอกว่าเนี่ยจะขอจะสร้างบ้านใหม่ให้เป็นเป็นคอนกรีตเลยอาจาร์ป่วยก็ปฏิเสธส่วดก็ลุกเล่าอยู่นั่นแหละว่าจะเอาจะสร้างบ้านให้ดีสุดท้ายอาจาร์ป่วยก็อ้างเมียบอกเนี่เมียผมไม่ชอบนะไอ้บ้านเมียผมชอบบ้านไม้นะ ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านก็ไม่อยู่นะสริ ก, ก็เลยเงียบไปคือประเด็นคือจริงไม่ใช่เรื่องเงียบหรอกนะาการแกมีความสุขแบบนั้นคือความเงียแกมีวัสดุชี่ิตเล่นง่ายจะถึงคงความคงดุลติและความซื่อสัตย์ได้แล้วแกก็ไม่หวั่นไหวนะกับการที่ใครจะรวยนะแล้วก็แกก็มีวิธีวิธีที่จะสร้างความสุขได้หลายอย่างนะความสุขจากชีที่เรียกง่ายความสุขจากศิละปะจากดนตรีนะ นักตบะเือเพราะฉะนั้นเนี่ยนักตบว่าถ้าคนเรามีความสุขทุกอย่างนะความสุขในการทําความดีนะความสุขในการที่อยู่เรื่องง่ายนะมันก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆหรอกถ้าที่หวั่นไหวเพราะว่ามันทุกเนี่ยมันก็เลยแล้วก็เคลว่าวิธีอื่นดีเป็นสุขมากกว่าพระเนี่ยถ้าถ้าคิดว่าโยมมีความสุขมากกว่าพระก็ต้องสึกแค่นั้นเองแต่เพราะเราไม่เชื่อเนยว่าเขามีความสุขมากกว่าเพราะเราบิดาเพราะเราชั่วเรามีความสุขกว่าเงย <ambiente> ใช่ไหมก็มีความสุขกว่าเนี่ยทั้งที่ไม่มีอะไรมากไงใช่ไหมวันๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่น a c e b o o k เท่าไหร่นะไลน์ดูหนังแต่ว่าก็มีความสุขเนี่ยเพราะความสุขของเรามันเกิดจากภายในเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาคในนานใช่ไหมใครจะมามาด้วยยวนให้ไปสมัครงานหรือไปเป็นซ o อีโอผู้จัดาาาการเขอาจจะก็ไม่ฝ่ายนะเพราะว่าอยู่นี่มีความสุขอยู่แล้ว reconsider. ใช่ไหมเฮียตาช่วยเนี่ยวความสุขมันสำคัญมากเลยนะฮะความสุขจากภายใน ไม่ทำอะไรอยู่ให้นักศึกษาเขามีตรงนี้แล้วเขาก็จะยั่งยืนค่ะแล้วความศรัทธาที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงอยู่ในสกจารเป็นความศรัทธาทาไมนะที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงอยู่ในสมรจารนะคะเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ตัวนี้มันมีอยู่มันตั้งมั่นอยู่นะคะจริงๆเนี่ยตัวที่หล่อเลี้ยงอยูสมรจารคื อ, อสติสติเนี่ยกับนสมรจารจะใกล้กันมาก นะซึ่งถ้าเรามองว่าโยมวิสวรรธนกาคือปัญญาเนี่ยสติกับปัญญาใกล้กันอยู่แล้วแต่ศรัทธานี่ก็ช่วยนะศรัทธาถ้าเกิดว่าศรัทธามันช่วยทําให้เกิดความเกิดความคืออาจจะยังไม่เจอแต่มีศรัทธาว่าจะได้จะเจอใช่ไหมคนที่มีความทุกข์เนี่ยแต่ว่าไม่ยอมฆ่าตัวตายเนี่ยทั้งที่มันทุกข์เหลือเกินเพราะมีศรัทธาว่ามันจะมืดไดนานสักวันไม่ต้องสว่าง ก็อันนี้ก็มันก็ช่วยเสริมโยนิสวรรคชการทําให้เกิดเกิดเกิดกำลังใจในการที่จะสู้ต่อไปใช่ไหมทำให้การมองความทุกข์เนี่ยมันไม่มันเปลี่ยนไปคือมันมันก็คิดว่ามันก็ไปเดียวประดานะศรัทธาเนี่ยเพราะในยังไงศรัทธาก็เป็ตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวทำให้เกิดเรี่ยวแรงเกิดกําลังในการที่จะทําต่อไปแล้วก็ส่งผลต่อยนิยนสวรรคชีการทําให้อ่า ทำให้ทำให้มองมันยังมีความหวังดูดว่าบีอิ่งของครูอาจารย์เคยตอบว่าบีอิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจมันมันนำไปสู่ศรัทธาได้ไหมคะมันมีภาพภาพอยู่ในใจศรัทธานี่มั น, ม, นมันก็คือยังไม่ได้เชื่อยังไม่ได้เจอแต่คิดว่ามันมีเช่นศรัทธาในพระนิพพานศรัทธาในความสุขว่ามันมีอะ เห็นครูบาอาจารย์เขามีความสุขหรือว่าเขามีแบบอย่างที่ดีแล้วก็ศรัทธาว่าสิ่งต่าที่เป็นของดีแล้วก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขและมีความเจริญเราก็พยายามทําคือก็ไม่เคยมีการสนทนากันนะระหว่างาระหว่างระหว่างระหว่างพราหมเนี่ยกับจิตตะาบดีเนี่ยนะถามไม่มีเขาก็ถาม ท่านมีศรัทธาไหมเขาบอาไม่มีศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าเห็นเนี่ยพระเจ้าก็เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันศรัทธามันมันมันไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมพระอรหันต์ได้เชื่อนผู้ที่ไม่มีศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่คาดจะได้เห็นเนี่ยก็ได้พบแล้วฉช่ไเมื่อได้พบเราก็ศรัทธาก็จบหมดหมดหน้าที่ไงใช่ไหมศรัทธานี่มันคือก็คือสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งตอนนี้เราไม่มีเราไม่เจอแต่เราเชื่อมันจะเจอหรือจะเห็นแต่พอเห็นแล้วเนี่ยมันก็หมดศรัทธาแล้วไม่มีศรัทธาแล้วเียา่่นแวคตชไ่่ตงใช่ทําให้เรามีความเพียรพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปจนถึงจุดหมายซึ่งเราเชื่อว่ามี พี่ได้คําตอบแล้วพี่จบสิ้นค่ออคจ่ า, าจก็ได้ค่ ะ, ดคะได้ค่ะ ค, คือเรื่องคิดบวกกับคิดลบนะครับผมคิดว่าถ้าเรามองเรื่องผิดเราให้เป็นบวกบางคนก็มองเรื่องถูกให้เป็นลบมันกลายเป็นว่าเราจะหลอกตัวเอง แล้วกลายเป็นว่าจะกลายเป็นความทุกข์สัมมาว่าอะไรมันผิดแล้วยังมองว่าเป็นบวกเนี่ยแต่ใจคนแล้วคุณจะทิ้งไม่ได้อะ่ะมันผิดแล้วก็คือต้องเปิดผิดผมเลยถามว่าทําไมเราไม่มองตามหลักพุทธองค์ที่บอกว่ามองตามความถูกต้องความเป็นจริงนะครับถึงแม้มจะผิดจะจะมองให้เป็นบวกอยู่อีกโอม้มันก็คงจะรับน้ำบาสนะครับหรือบางทีบางคนในะเรื่องถูกเรื่องดีที่แท้ก็ยังมองว่าเป็นลบ นะครับกลายเป็นว่าเป็นการหลอกตัวเองผมเลยเรียนถามอาจารย์ครับว่าความคิดของผมเนี่ยมันสวนกระแสรหรือเปล่าว่าแทนที่เราจะมองบวกมองลบทําไมเราไม่มองความถูกความจริงอย่างคุณหมอสมมติว่าฉีดยาผิดเมื่อผิดแล้วเราก็ทําไมจะขอโทษไม่ได้แ้่เขาบอกว่าขอโทษเสียใจขอบคุณนะครับสวัสดีเนี่ยปราประจําผมเป็ครูมาหลายปี ตอนนี้อายุ64บอกนักเรียนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ครูพูดไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกร้อซบางทีครูพูดผิดไปกรุณาช่วยทวงติงเวลาตรวจคะแนนเนี่ยบางทีอาจจะตรวจผิดไปหรือถ้าเป็นข้อสอบอัตนายอาจจะให้คะแนนไม่ถูกต้องอาจจะไม่พอใจ<ม>พอให้คะแนนเสร็จแล้ว<ม>หนูไปตรวจดูนะั้นนหะพอใจไหมถ้าเป็นปรนัยอาจจะ กดช่องผิดช่องถูกอัจฉิยะพลาดหนูท้วงติงได้แต่ถ้าครูบอกนกเป็นไม้เธอก็เชื่อครูหรือครูบอกไม้เป็นนกเธอก็เชื่อครูนะแบบนี้ไม่เจริญแน่เลยแล้วครูบางคนก็สอนผิดไปใครจะมาเถียงมาว่าก็ไม่ได้ไม่ยอมแก้ให้เด็กเข้าใจผิดๆไปเช่นั้นเรื่อยๆไปไม่มีการขอโทษนะเพียงทําไมครูจะขอโทษไม่ได้ ทำไมคุณหมอจะขอโทษไม่ได้นะครับทีนี้การขอโทษน่ะก็บางทีราชาจจคิดว่าออผู้กรณีอาจจะได้ขีได้ทีขี่ช้างไล่เนาะแต่ถ้าการกระทําที่ทําด้วยความอะไรอะ่ะเป็นจริงแล้วก็ด้วยความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยไม่มีใครที่จะทําได้ลงครับที่จะทํากับคุณหมอได้ลง ผมเองเคยเจอนักเรียนะเอามีเป็นฟันเพื่อนเดบแต่มีกรีดนะเดบห้าเข็มผมก็เรียกผู้คุยของฝ่ายมาคุยกันนะเอาล้นะเนี่ยเธอก็ไปว่าเขาเขาก็มโหก็ทำเพลินเหตุแล้วพูดต่อว่าถ้าหากเปนคดีอาญานเนี่ยติดพุกนะเอาเป็นว่าเธอก็เป็นรู้กรูท้คู่ตา เอาให้ผู้เข็มมาร้อยให้เงินง500นะบำรุงฝันและทางฝ่ายที่ถูกฟันก็ยอมรับแ ล, แล้วกันนะเออผู้คลองฝั่งฝ่ายยอมรับแต่พอมาถึงความจริงปุ๊บผู้ครองฝ่ายที่ถูกฟันกับหัวหมอจะขอเข็มละหมื่นขอห้า0 0ื่ฝ่ายปกครองก็ไม่ไดำเนินการอะไรทําอะไรไม่เป็นเมื่นผมก็ไปผู้กำจําทั้นผู้กรณี ผมก็บอกว่าถ้าขอห้าหมื่นกันเนี่ยแผลที่ใจแผลที่กายเนี่ยมันหายแต่แผลที่ใจเนี่ยมันไม่หายเด็กทั้งคู่นี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้จะเกิดการอาค่ากันมากขึ้นผมมองว่าคุณหมอจายค่าเสียหายไปมากมายไกลกองเนี่ยไม่มีความสุขแน่เลยคนที่ได้รับก็ไม่มีความสุขใช่ไหมมันเกิดแผลในใจขึ้นมาผมก็บอกว่า ก็คุยตกลงกันแล้วไงว่าให้นึนทำขวัญนั่นแล้วก็จับมือดีกันซะผมก็จะสอนได้ก็จะปกครองได้แต่ถ้าผู้ปครองดื้อแพงอยากจะทําอย่างนี้เอางี้ก็แล้วกันมเอาเงินจากผมไปเดืนละร้อยเดือนละร้อยผมจะให้ที่ครบห้าหมื่นเลยแล้วออกจากโรงเรียนนี้ไปทุกคู่ไม่ต้องมาเรียนผลที่สุดเขาก็ยอมะคือหมายความว่าถ้าเราเจตนาจะแก้ไขด้วยความจริงใจนะครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มองมองบวกมองลบแต่มองเอาความจริง ความถูกต้องสังคมควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับผมว่านะครับนามาส ก, การที่พูดมาสอประเด็นนะั้นเรื่องขอโทษนี่นก็เรื่องแต่เรื่องมองบวกมองลบเนี่ยไม่ได้แปลว่ามองบวกมองลบนี่คือการ ม, มองความจริงนะความจรมีทั้งบวกและลบใช่ไหมก็หมายความว่าเช่นความสบายเนี่ยความสบายนี่ก็ข้อดีก็มีนะแต่ข้อเสียก็มีสบายมากเกินไปก็ ข, ขี้เกียจ เป็นโรคใช่ไหมเขาบอกบวกและลบเนี่ยแปลว่าบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งขุณและโทษไม่ได้แต่ว่าผิดกับถูกนะคนละเรื่องเลยนะผิดก็ผิดถูกก็ถูกนี่เรื่องหนึ่งบวกและลบเนี่ยหมายความว่าของทุกอย่างความเป็นจริงของมันเนี่ยมีทั้งขุนและโทษอันนี้ยอมรับไหเช่นมีดมีทั้งขุนและโทษใช่ไหม ลบ ก, ก็คือว่าค่าผลได้บวกก็คือว่าหันผักได้ใช่ไหมความจริงเนี่ยมีทั้งบวกและลบความทุกข์ความเจ็บป่วยเนี่ยมีทั้งบวกและลบความเจ็บป่วยลบ ก, ก็คือว่าทำให้เกิดทุกขเวทนาแต่ข้อดีก็คือทำให้ได้สติทำให้เข้มแข็งทำให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกขใช่หมหลายคนบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งแปลว่าอะไรก็ว่ามะเร็งมีประโยชน์โชคดีที่เป็นมะเร็ง เราต้องเข้าใจว่าบวกกับลบเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดกับถูกไม่เกี่ยวเรื่องจริยธรรมบวกกับลกกบเป็นเรื่องความจริงที่มีทั้งคุณและโทษดงั้นเราจะมองเวลาเรามองความจริงบางอย่างเนี่ยอย่ามองแต่เห็นในคุณต้องมองหเห็นโทษใช่ไหมแล the the แ้วความจริงบางอย่างอย่ามองเห็นแต่โทษเดยียวต้องมองเห็นประโยชน์ของมันด้วยนะอันเนี้ยอันนี้ต้องต้องเข้าใจเวลานี้เราไปเวลาพูดคําว่าลบเนี่ยเรามักจะบอกว่าคือไม่ดีแต่ที่จริงไม่ใช่ลบก็คือว่ามันมีข้อเสีย โอเคนะมาแจกเอาเชิญยังไม่ได้กันเลยเหรอท่านเต็มที่ให้เป็นรางวัล น, นะคะอยู่กันเอาเลยมามาโอ้แค่รับกับมือได้ไหม